จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อทาเพื่อมาทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ให้เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์สุขิให้กับตนเองและประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นและประโยชน์สุขให้แก่พระพุทธศาสนา ให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองไปอยู่เรื่อยๆถ้าพวกเราชาวพุทธทำหน้าที่ของชาวพุทธพระพุทธศาสนาจะไม่ล่มสลายจะไม่หายไปจากโลกนี้แต่ถ้าพวกเราชาวพุทธไม่ทำหน้าที่ต่อไปพระพุทธศาสนาก็จะล่มสลายหายไปจากโลกนี้ ดังนั้นวันนี้เราเลยมาศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสานิกชนสำหรับท่านที่ยังไม่รู้ว่าหน้าที่ของชาวพุทธอะไรก็จะได้รู้ผู้ที่รู้แล้วก็ต้องปฏิบัติต้องทาตามหน้าที่แล้วผลประโยชน์คือความสงบความเจริญ ก็จะเกิดขึ้นกับตนเองเกิดขึ้นกับผู้อื่นและเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาหนาท่าหน้า ท, าที่ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนส่งมอบให้พวกเราชาวพุทธก็ทํากันนี้มีอยู่สขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งหน้าที่ที่หนึ่งคือให้เราศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า mm. เพื่อเราจะได้รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นรัตนะอย่างไร mm. คำว่ารัตนะแปลว่าเพชรเป็นของมีคุณค่าล้าค่า mm. เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้า ไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนไม่ศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวเราจะไม่รู้ว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีคุณค่าต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราแต่ถ้าเราได้ศึกษาแนละ้วเราจะรู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคุณค่า ต่อพวกเราอย่างมหาศาลไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าให้แก่พวกเราได้เท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะยุติ การเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมาห้ามพวกเราไม่ให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพากจากกันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นี่คือความวิเศษของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งต่างๆในโลกนี้ต่อให้เรามีการมากน้อยเพียงไรมีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านมีตำแหน่งใหญ่โตก็จะไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ไม่สามารถยุติการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้ มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่นั้นที่จะสามารถทาได้เพราะอะไรก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทำมาแล้วนั่นเองพระอริยสงฆ์ได้ทามาแล้วได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของท่านให้หมดไปแล้วสามารถยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้แล้ว เมื่อท่านทำได้แล้วท่านรู้จักวิธีท่านก็เอามาสั่งสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราได้รู้จักวิธีกันให้พวกเราเรารู้ว่าพวกเรามาเกิดกันได้อย่างไรและมาเกิดกันกี่ครั้งกี่หนและจะหยุดเมื่อไหร่ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสั่งมาสอนพวกเราจะไม่รู้เลยว่า เรามาเกิดกันได้อย่างไรและเกิดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเราจะไม่รู้เราจะคิดว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของการมาเกิดของพวกเราก็ได้เพราะพวกเราไม่รู้ว่าสิ่งที่มาเกิดสิ่งที่ไม่ไม่ตายไปกับร่างกายนี้เป็นอะไรนั่นเองเราก็จะคิดว่า ร่างกายนี้เกิดมาแล้วพอตายไปมันก็กลายเป็นขี้เท่าไปกลายเป็นดินไปแล้วจะมีอะไรมาเกิดใหม่ดังั้นเราก็อาจจะคิดว่าชาตินี้เป็นชาติเดียวของเราดังนั้นเราต้องตักตวงความสุขให้มากที่สุดความสุขที่เรารู้จักกันก็คือความสุขที่เราจะได้จากทางร่างกายความสุข ที่เกิดจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัก ษ, ษ์ต่างๆความสบที่เกิดจากการใช้ตาหูจมูกเน้นกายร่วมเราก็พยายามเสกกันให้อย่างเต็มที่คิดว่ายิ่งเสกมากยิ่งมีความสุขมากเพราะว่าเดี๋ยวตายไปแล้วจะไม่ได้เสกดังนั้นชีวิตของพวกเราจึงพุ่งเป้าไปอยู่ที่การหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ่นกายกันหาข้าวของหาเงินหาทองหาคนนั้นหาคนนี้มาให้ความสุขกับเราแต่มันทำไมกับไม่ได้ให้ความสุขเพียงอย่างเดียวนอกจากความสุขให้แล้วมันยังมีของแถมมาให้เราอีกด้วยของที่แถมมากับความสุขก็คืออะไรก็คือความทุกข์นี่พวกเรานี่ทุกข์กับสิ่งที่เราได้มา สุกขกับสิ่งที่เราให้ความสุขกับเราเพราะสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันไม่แน่นอนนั่นเองวันดีคืนดีมันหายไปก็ได้วันดีคืนด <elastic caliber. S 2> <Okay. S 1> ีมันหมดไปก็ได้วันดีคืนดีมันจากเราไปก็ได้ความสุขที่เราได้จากมันมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวไม่รู้ว่าความจริงแล้วเรากำลังหาความทุกข์กัน แต่เพราะว่าเราเป็นเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นความทุกข์เห็นแต่ความสุขจากสิ่งต่างๆเห็นความสุขจากการได้ครับสมบัติเข้าของเงินทองเห็นความสุขจากการได้สามีภรรยาได้บุตรได้ทิดาเห็นความสุขที่เกิดจากการได้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ความสุขจากการซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆมาแต่แล้วทำไมเราถึงกับยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์เราหาความสุขกันตลอดเวลาไม่มีใครพูดเลยว่าหาความทุกข์กันแล้วทำไมถึงมาร้องห่มร้องไห้กันทำไมถึงมาโวยวายกันทำไมถึงมาเศร้าโศกเสียใจกัน ทำไมถึงมาเครียดมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆกันนั่นก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราหามันเป็นความทุกข์นั่นเองแต่เราไปหลงคิดว่ามันเป็นความสุขเหมือนกับไปไปจับงูเหา่าโดยที่คิดว่าเป็นปลาไหลคิดว่าเป็นอาหารอันโอชะพอไปจับจับงูเหา่าจะเอามากินก็เลยโดนงูเห่ากัดตายอันนี้แหละคือโมหะ อาวิชาความหลงความไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราหากันในโลกนี้มันไม่ได้เป็นความสุขเลยมันเป็นความทุกข์มันเป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนะเวลาเห็นเหยื่อติดอยู่ปลายเบ็ดปามันก็ยิ้มน้ำลายไหลพอไปแท้เหยื่อเข้าก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากทีนี้น้ำตาไหลแล้วแทนที่จะน้าลายไหล กาไม่เห็นว่ามันมีความทุกข์รออยู่พวกเราไม่เห็นว่าเรากำลังมีความทุกข์รอเราอยู่หาทรัพย์สมบัติแล้วคิดว่าจะมีความสุขแต่พอทรัพย์สมบัติหมดไปความสุขที่ได้จากทรัพย์สมบัติก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ได้ตำแหน่งใหญ่โตพร้อมสูญเสียตำแหน่งไป ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ <Yeah. S 1> ได้คนนั้นได้คนนี้มาเป็นแฟนเดี๋ยวพอเข้าไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ <Yeah. S 1> นี่คือความทุกข์ที่เราคิดว่าเป็นความสุขกันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่ได้เรียนได้ยินได้ฟังเรื่องของความทุกข์ต่างๆเรื่องของความสุขต่างๆ เรื่องของความสุขนี้เรายังไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะรู้แต่เรื่องของการหาความทุกข์กันโดยที่คิดว่าเรากำลังหาความสุขกั น, mm. นถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้รู้ว่าความสุขที่เรากำลังหากันอยู่นี่มันเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้ เหมือนน้ำตาลเคลือบยาขมเป็นผิวบางๆพออมเข้าไปเดียวๆน้ำตาลก็ละลายหมดทีนี้เหลืออยู่แต่ความขมขื่นความสุขที่พวกเราได้ก็แบบเดียวกันเวลาได้แฟนมาใหม่ๆหวานเจี๊ยบเลยพอเดี๋ยวน้ำตาลหายไปทีนี้ความขมก็โผล่ขึ้นมาทีนี้จะเกินมันจะเป็นแบบเกินไม่เข้าขายไม่ออกจะเลิกกันก็เลิกไม่ได้ จะอยู่กันก็ไม่สุขเหมือนกับตอนที่พบกันใหม่ๆอันนี้เขาเรียกว่าน้ำตาลเคลือบยาขมเนี่ยความสุขต่างๆที่เราหามาได้นี้เป็นความสุขเคลือบความทุกข์ไว้รอเวลาให้น้ำตาลรอเวลาให้ความสุขมันละลายหมดไปพอละลายหมดไปแล้วทีนี้ก็มีแต่ทะเลาะกันมีแต่ตีกัน มีแต่ด่ากันมีแต่ว่ากันอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่มองกันไม่ยอมมองกันเวลาเห็นอะไรแล้วจะเห็นว่าดีอย่างเดียวได้มาแล้วจะมีความสุขไม่คิดว่าแล้วเวลามันไม่เวลามันหายไปจะทำอย่างไรไม่เคยคิดกันแล้วพอหายไปเป็นอย่างไรก็วุ่นวายใจกันทุ ก, กันกินไม่ได้นอนไม่หลับกัน นี่คือเรื่องของพระพุทธพธรรมพระสงฆ์ถ้าเราศึกษาเราก็จะได้เรียนรู้ว่าพระพุทธพธรรมพระสงฆ์ได้พบกับความสุขที่แท้จริงและท่านก็จะมาสอนพวกเราให้หาความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธพธรรมพระสงฆ์ได้หาพบก็คือความสุขใจความสุขที่เกิดจากความสงบ ความระงับจากความโลภความอยากต่างๆท่านจึงสอนให้เรามากำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆสอนให้พวกเรามาทำใจให้สงบกันเพราะเมื่อเราสามารถทำได้แล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขเคลือบความสุข อมใบดานทักเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่เกิดความขมขึ้นมาเพราะมันมีแต่น้ำตาลมีแต่ความหวานอยู่ตลอดเวลานี่คือความสุขที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสงฆ์ค้นพบแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราให้พวกเรามาหาความสุขที่แท้จริงกันอย่าไปหาความสุขที่เป็นความทุกข์เพราะพวกเราไม่มีใครอยากได้ความทุกข์กัน แต่ทำไมเรากลับมาหาแต่ความทุกข์กันเพราะว่าเราเป็นเหมือนคนตาบอดคนตาบอดก็เจนคําทางไปคานูน่นคานี่ก็คิดว่าดีคําไปคํามากลายเป็นโง่ขึ้นมาคิดว่าเป็นปลาไหลคำอะไรเดินอะไรที่ว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าเดินไปเดี๋ยวก็ชนตูมหรือเดินไปแล้วตกลุ้มตกบอ่อ เมื่ออยากจะเดินไปที่นั่นที่นี่เดินไปก็ไปไม่ถึงเพราะว่าไม่ได้เดินไปตามที่ที่เราคิดว่าจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปอยู่ตรงนั้นเรากลับเดินไปอีกที่หนึ่งนี่คือลักษณะของคนตาบอดใจของพวกเราตอนนี้ตาบอดกันถึงแม้ว่าร่างกายเราไม่บอดแต่ใจเราบอด ร่างกายนี้อาศัยใจเป็นคนสั่งให้ไปทาอะไรต่างๆถ้าใจไม่สัง่งร่างกายก็ทาไม่ได้ถ้าใจบอดใจก็จะสั่งให้ร่างกายไปทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ใจอยากได้อยากได้ความสุขแต่ไม่รู้ว่าความสุขแท้อยู่ตรงไหนไปรู้จักความสุขกลอง ก็เลยหาแต่ความสุขปลอมหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหาตําแหน่งห า, หาลาบยศหาคนนั่นคนนี้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้หามาแล้วก็เราต้องมาต้องมาทุกข์มาเสียใจมาร้องหหมร้องไห้เวลาสิ่งที่เราหา ม, ามันเปลี่ยนไปของใหม่ๆ ม, มันดีไปหมดแต่พอใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวมันก็เก่า เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนพอมันเปลี่ยนก็เลยไม่สุขเหมือนเดิมอันนี้เราไม่มองกันไม่เห็นกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันต้องมีวันเสื่อมมันต้องมีวันเปลี่ยนแปลนมันต้องมีวันหมดมีวันสิ้นสุดถ้าเราเห็นแต่แรกเราก็จะได้ว่าอย่าไปเอาดีกว่าเอามาแล้วทุกไปเปล่าๆซื้ออยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่า อยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอริยสงสาวกดีกว่าอยู่แบบทำสมาธิดีกว่าอยู่ทําใจให้สงบดีกว่าพอใจสงบแล้วก็จะมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องมีสมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องมีตําแหน่งไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมี เสื้อผ้าสวยๆงามงาไม่ต้องมีกระเป๋ามีรองเท้าไม่ต้องมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามของพวกนี้มันเป็นความสุขปลองเพราะเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องแก่หนังก็ต้องเหี่ยวผมก็ต้องขาวจะให้มันสวยยังไงมันก็ไม่มีวันจะสวยได้ในที่สุดมันก็ต้องกลายเป็น ของที่ไม่น่าดูไม่สวยไม่งามไปอย่างนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้ามาฟังเทศฟังธรรมความคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีหาความสุขที่แท้จริงวิธีที่หาความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ทำสามขั้นขั้นที่หนึ่งก็คือให้ทำทานให้สละความสุข ที่จะได้จากการใช้เงินใช้ทองแทนที่จะเอาเงินทองไปซื้อความสุขตา่างๆให้เอาเงินทองมาทำบุญทำทานแทนาะจะได้ความสุขแท้ถ้าเอาเงินไปซื้อตามความอยากซื้อสิ่งที่เราอยากได้ซื้อสิ่งที่ไปเที่ยวตามสถานที่เราอยากจะไปมันเป็นความสุขปลอมเพราะว่ามันสุขเดียวๆเวลาไปเที่ยวก็สุข พอกลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดแล้วก็เกิดความอยากออกไปเที่ยวใหม่มเที่ยวเท่าไหร่ความอยากก็ไม่หมดเพราะความสุขที่ได้มามันหมดถ้าได้ความสุขแบบไม่หมดมันก็จะไม่อยากไปเที่ยวเที่ยวหนเดียวแล้วพอไม่อยากเที่ยวอีกมันไม่มีความสุขแบบนี้ไม่มีจากการเที่ยว มีแต่อยากจะเที่ยวไปเรื่อยๆอยากจะซื้อกระเป๋าไปเรื่อยๆอยากจะซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าไปเรื่อยๆอยากจะได้เงินทองมากขึ้นไปเรื่อยๆอยากจะได้ตำแหน่งสูงมากขึ้นไปเรื่อย ๆ, ๆได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพ อ, อเพราะความสุขที่เกิดจากการทำตามความอยากมันจะทำให้อยากทำให้หิวไม่ได้ทำให้อิ่มวิธีที่จะทาให เกิดความสุขแบบที่อิ่มที่พอก็คือต้องทําความสุขแบบไม่ทําตามความอยากเช่นจะเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จําเป็นซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าก็เอามาทําบุญแทนทําบุญนี้ไม่ได้ทำด้วยความอยากทําด้วยความไม่อยากทำํำพอเราทําด้วยความไม่อยากทําใจเราก็เลยอิ่มเพราะไม่มีความอยากทําแต่รู้ว่าต้องทํา เหมือนกับคนที่กินยาไม่ได้กินด้วยความอยากแต่ก็ต้องกินเพราะกินยาแล้วก็ทำให้โรคภัยหายมีใครอยากกินยาบ้างไม่มีใครอยากกินยาแต่ก็ต้องกินเวลาไม่สบายกินแล้วมันก็จะได้หายจันใดถ้าเราอยากจะหายทุกจากการมีความอยากซื้อข้าวซื้อของใช้เงินใช้ทองเราก็ต้องเอาเงินมาทาบุญ เวลาทำบุญเราก็ไม่ได้ทำด้วยความอยากทำด้วยความไม่อยากเราจรึงมีความสุขมีความอิ่มใจจากการทำบุญเพราะทำแล้วมันไม่ได้ทำให้เราอยากทำอีกแต่มันไม่ได้ทำให้เราอยากจะไปซื้อข้าวซื้อของมันไม่ได้ทำให้เราอยากไปเที่ยวนี่คือการทำทานเป้าหมายก็คือเพื่อเราจะได้กาจัดความอยาก ใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆพอเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเราก็ไม่ต้องหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลาว่างมีเวลาที่จะมา <c oughs> สร้างความสุขระดับที่สูงขึ้นต่อไป <c oughs> ก็คือระดับรักษาศีลระดับภาวนาเนี่ยเรามีการวิธีสร้างความสุขอยู่สางขั้นขั้นแรกสร้างความสุขด้วยการทำทาน ขั้นที่สองสร้างความสุขด้วยการรักษาศีลขั้นที่สามสร้างความสุขด้วยการภาวนาขั้นที่สองก็รักษาศีลรักษาศีลห้าถ้าเรารักษาศีลห้าได้ใจเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับการไม่ทำบาปนั่นเองถ้าเราทำบาปแล้วใจเราจะไม่สบายใจเราจะวิตกกังวลหวาดกลัว กับวิบากกรรมที่จะตามมาแต่ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วใจเราเย็นใจเราสบายมีความสุขอีกระดับหนึ่งแล้วถ้าเราอยากจะได้ความสุขสูงกว่านี้มากกว่านี้เราก็ต้องมาภาวนามาปฏิบัติธรรมจิตตภาวนามีสองขั้นสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาการจะทำ ภาวนาได้ก็ต้องเปลี่ยนศีลจากศีลห้าไปเป็นศีลแปถ้าไม่มีศีลแปจะไม่มีเวลามาภาวนาเพราะว่าศีลห้ายังปล่อยให้เราไปเที่ยวได้ยังปล่อยให้เรากินข้าวเย็นได้ยังปล่อยให้เราไปนอนกับแฟนได้ถ้าเราไปทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบ เราจึงต้องถือสิ่งแปดกันพอเราถือสิงแปดเราก็จะไม่มีกิจกรรมต่างๆให้เราทำมีกิจกรรมอันเดียวก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมเพื่อจเจริญสติเพราะก่อนจะนั่งสมาธิได้ถ้าใจไม่มีสติใจจะคิดไม่ยอมหยุดคิดถ้านั่งแล้วไม่มีสติใจจะไม่สงบตอนต้นเราเลยต้องมาเดินจงกรมมาสร้างสติกันก่อน นอกจากเดินจงกรมเราก็สามารถสร้างสติได้ในขณะที่เราทำอะไรต่างๆเวลาอาบน้ำก็สร้างสติได้พุทโธไปได้เวลาแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปได้เวลากินข้าวก็พุทโธได้พยายามสร้างสติกันไปเรื่อยๆเพราะถ้ามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิใจจะสงบเมื่อใจสงบแล้วจะได้ความสุขที่ เต็มร้อยเต็มเปี่ยมในภายในหัวใจทำทานนี่ก็ได้ความสุขร้อยละยี่สิบรักษาศีลก็ได้ร้อยละห้าสิบพอมาภาวนาก็จะได้ร้อยร้อยร้อยเต็มร้อยร้อยนร้อยแต่สมาธิก็ยังเป็นร้อยชั่วข่าวเป็นความสุขชั่วข่าวพอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวก็หายไปได้ เหมือนกับน้าเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็น mm hmm. เวลาออกมาใหม่ๆ ม, มันก็เย็นแต่ทิ้งไวนน้นานๆเข้าเดี๋ยวมันก็หายเย็นใจของเราที่ได้ความสุขจากการนั่งสมาธิพอออกมาถ้าเราไม่รักษามันปล่อยให้มันคิดปล่อยให้มันอยากเดี๋ยวความเย็นความสบายก็หายไปเพราะความคิดความอยากมันจะผลิตความร้อนความทุกข์ให้กับใจนั่นเอง ถ้าเราอยากจะให้ใจเราเย็นให้เราสงบต่อไปเราก็ต้องปฏิบัติขั้นวิปัสนาหรือปัญญาคือใช้ปัญญามาสอนใจให้หยุดคิดสอนใจให้หยุดอยากพอเรามีปัญญาเราก็จะหยุดคิดหยุดอยากได้พอเราหยุดคิดหยุดอยากความคิดความอยากก็จะไม่มาทําลายความสงบความสุขที่เราได้จากความสงบ เราก็จะมีความสุขไปตลอดถ้าเรากำจัดความอยากได้หมดกำจัดความคิดที่จะทาให้เราเกิดความอยากได้ต่อไปใจของเราก็จะสงบตลอดเวลาสงบโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปนัในสมาธิเพราะเราสามารถทำใจให้สุขให้สงบได้ด้วยปัญญานี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเรา นำมาไปปฏิบัติจึงนำมาสู่ขั้นที่สองขั้นแรกสอนให้เราศึกษาคำสอนเมื่อศึกษาคำสอนแล้วเมื่อรู้ว่าต้องทำอะไรเราก็เอาไปทำการทำตามคำสอนเราเรียกว่าปฏิบัติทำทานรักษาศีลภาวนาเรียกว่าปฏิบัติแล้วพอเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ขั้นที่สามคือบรรลุธรรม ได้ผลจากการปฏิบัติได้รับความสุขในระดับต่างๆได้รับความสุขในระดับทานรับความสุขในระดับศีลรับความสุขในระดับสมาธิและรับความสุขในระดับปัญญาถ้าเราได้ระดับปัญญาเราก็จะได้รับความสุขที่ถาวรได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราได้ถึงขั้นนั้นแล้ว การปฏิบัติของเราก็ถือว่าเสร็จสิ้นลงไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปไม่ต้องทำทานไม่ต้องนักษาศีลไม่ต้องภาวนาเพราะจิตนี้มีความสุขตลอดเวลาจิตได้ทำลายเหตุที่จะมาทำให้จิตทุกข์ไปหมดจิตจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจิตจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปพอเราได้ถึงขั้นสูงสุดแล้ว เราก็จะได้ทาหน้าที่ขั้นที่สี่คือเอาความรู้ที่เราได้นี่มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นมาช่วยทาหน้าที่ให้กับพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกเพื่อผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราจะได้รู้กันจะได้ปฏิบัติกันจะได้บรรลุกันแล้วก็จะได้มาเผยแผ่กัน ก็จะทำให้มีพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับโลกนี้ไปตลอดแต่ถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่บรรลุไม่เผยแผ่ต่อไปก็จะไม่มีใครมาเผยแผ่สั่งสอนพระพุทธศาสนาต่อไปก็ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนามีไว้ทาไมมีแล้วขวางโลกสมัยนี้เห็นไหมทางกระทรวงศึกษาเดี๋ยวนี้กํา กำจัดพุทธศาสนาออกไปจากหลักสูตรแล้วเพราะขวางโลกมัวแต่สอนให้คนนั่งสมาธิหลับตาไม่มาพัฒนาโลกไม่มาพัฒนาบ้านเมืองก็เลยเห็นว่าเป็นเป็นขวางน้ำเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางลาบยศเสริญสู้นานาต่างประเทศเขาไม่ได้ต่างประเทศเขาไม่สอนพระพุทธศาสนาเขาล่ำเขารวยเขาจเจริญก้าวหน้า เขามีจรวดมีดาวเทียมประเทศเรามีพระพุทธศาสนามีแต่คนงโง่มีแต่คนขี้เกียจอยู่เฉยเฉยไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมหาเงินหาทองไม่ยอมมีครอบครัวจะบวชอย่างเดียวถ้าบวชบ่นเดียวประเทศก็ล่มจมก็เลยต้องกาจัดหลักสูตรพระพุทธศาสนาออกไปนี่แหละคือ ต่อไปก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะคนไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนามีไว้ทาไมเด็กสมัยนี้เห็นพระสงฆ์เจ้ามันไม่รู้จักไหว้ละไม่รู้จักหลบไม่รู้จักหลีกเดินนานี่เวลาพระเดินบินบียนตาต้องคอยหลบมันมันจะรีบเดินไปโรงเรียนมันไม่มองซ้ายมองขวาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เคยรู้จักไหว้รู้จักกราบเพราะไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสง์ ว่ามีประโยชน์แก่ชีวิตเขามากน้อยเพียงไรกลับไปเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นประโยชน์มีคุณค่ากับเขาคือราบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยิ่งหามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นนี่แหละคือหน้าที่ของชาวพุทธเราแต่เราอยากจะให้พระพุทธศาสนาอยู่เป็นที่พึ่งของโลกไปเรื่อย เราต้องมาทําหน้าที่ของชาวพุทธเราสประการคือ 1. ศึกษาพราะธรรมคําสอน 2. ปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนที่เราได้ศึกษา3ปฏิบัติให้บรรลุถึงขั้นสูงสุดพอได้ถึงขั้นสูงสุดแล้วทีนี้ก็มาทําหน้าที่สั่งสอนผู้อื่นต่อไปแล้วรับรองได้ว่าศาสนา จะอยู่คู่กับโลกนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดจึงขอให้ท่านพยายามทาหน้าที่ของท่านเพื่อประโยชน์สุขสำหรับตัวท่านเองและประโยชน์สุขของผู้อื่นและประโยชน์สุขของพระพุทธศาสนาที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกว้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวนันะสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ